พอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคกระหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น <c oughs> นาบัดนี้ถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาแล้วให้ภากันนั่งขัดสมาธิในทางพุทธศาสนาคือให้นั่งขัดสมาธ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 เป็นทอดทอดจนถึงพวกเราก็ยังมีการเทศการทำการฟังอีกพร้อมกับการปฏิบัตินั่งกรรมาฐานภาวนาด้วยการฟังนี้มีพุทธภาสิตข้อหนึ่งท่านกล่าวไว้ว่าสุดสุสังละพระเตปัญญอย่าง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 แต่ศรัทธานี้หมายถึงความเชื่อแต่ภาษาสำนวนที่ใช่กันมานานแล้วก็เป็นภาษากลายไปกันว่าศรัทธาก็หมายถึงว่าญาติโยมศรัทธาชาวบ้านก็หมายไปน่อนอีกความจริงนั่นก็คือว่าศรัทธาความเชื่อความเชื่อก็คือน้ำใจของเรานี่แหละ เชื่อในการนั่งสมาธิภาวนาเชื่อในการปฏิบัติบูบชาภาวนาว่าเป็นทางที่จะได้ความรู้ความฉลาดความสามารถอัศรานจะละกิเลสในจิตในใจได้ก็ต้องอาศัยความเชื่อความเชื่อความเลื่อมใสความเป็นผู้มีศรัทธา ศรัทธานี้ในผลักท้งห้างศรัทธาขึ้นต้นคือถ้ามีความเชื่อความเลื่อมใสแล้วอะไรอะไรก็ต้องตามมาตามไปในนั้นศรัทธาเวลิยะภาคเพียนสติความระลึกได้สมาธิจิตตั้งมัน่น ปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารเมื่อเข้ากระบวนหมดคำว่าศรัทธานั่นก็คือภาร ะ, ะทั้งห้าความเชื่อก็เป็นภาร ะ, ะกำลังเวลยะความภาคความเพียรความพยายามไม่ท้อถอยก็เป็นอันหนึ่งที่จะยังให้จิตใจของเราสำเร็จลุล่วงไปได้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 สมาธิภาวนาจะบังเกิดมีขึ้นในใจของเราก็ต้องมีความเชื่อความเลื่อมใสคนเราทุกคนที่ได้มาประพฤติปฏิบัตินับถือพุทธธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คือว่ามีความเชื่อเชื่อในคุณพระพุทธเจ้าเชื่อในคุณพระธรรมเชื่อในคุณพระสงฆ์ เชื่อในทานในศีลในภาวนาเชื่อว่าพระพุทธเจ้าก็ดีพระสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายก็ตามที่ท่านได้บรรลุมรรคผลตรัดสลูเป็นพระพุทธญามันก็เกิดมีขึ้นจากจิตใจของท่านที่มีความเชื่อความเลื่อมใสในกองการกุศลทุกอย่างทุกประการ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 มันเป็นคนพูดมากปากเปียดไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยมีโยแต่พระพุทธลูกเท่านั้นแหละท่านไม่พูดอง์นั่งสมาธิท่านก็นั่งสมาธิลูกเดียวภาวานาอย่างเดียวถ้าพวกเรามากราบมาไหวมานั่งสมาธิเฉพาะพระพักท่านท่านก็ว่าดูเรา เราก็หมายถึงกระพุทธลูกองค์ไหนนั่งขัดสมาธิเพชรเอานั่งขัดสมาธิเพชรตลอดการใครมาติเตียนนินทาวันนั่งขัดสมาธิเพชรไม่ดีก็ไม่วันไหวท่านก็นั่งต่อไปองค์ไหนนอนชีห้หะสยายญาติท่านก็นอนชีห้หะสยายญาติภาวนาลูกเดียว แล้วก็บอกพวกเราว่าเวลาลูกศิษย์เรานอนก็ให้นอนอย่างเรานี่นะนอนตะแคงขวาอย่าไปนอนคว่มไปคว่า ม, มากึ้งอยู่เหมือนลูกบอลไม่ได้เวลานอนก็ตั้งใจนอนไหว้พระสวดมนต์นั่งกรรมฐานภาวนาทาจิตใจให้บริสุทธิ์ของใสสะอาด สบายดีแล้วก็ตั้งใจนอนเป็นการพักผ่อนสาริละร่างกายไปชั่วระยะหนึ่งเ <c oughs> มื่อหลับแล้วหลับแล้วฝันแล้วตื่นแล้วก็รีีลุกลบทำกิจของตนมีมากมายหลายอย่างหลายประการ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 มันจะอ้างว่าเช้าสายบ่ายค่ำกลางคืนกลางวันไม่ฟังหางเสียงลกขึ้นภาวนาทําละจิตใจให้ผ่องใสสะอาดไม่ว่านายยที่ไหนโยในหมู่ในขณะในวัดในถ้าในป่าในลุกขมูลลอมไม้ชายคาที่ไหนก็ตาม <c oughs> ตื่นขึ้นมาแล้วก็ต้องตั้งใจภาวนาทำความเพียรอยู่ในจิตในใจสถานที่ภายนอกเป็นที่อยู่ของรูปร่างกายมันก็ต้องมีที่อยู่จะให้อยู่ในที่อันเดียวก็ไม่ได้ แม้ว่าจะไปที่ไหนอยู่ที่ไหนยืนเดินนั่งนอนไปมาที่ไหนก็ให้มีความตั้งใจอันนี้ปักลงไปในใจของตนถ้ากิเลสราคะโทสะโมหายังไม่หมดไปสิ้นไปเราจะไปถอยความเปลี่ยนไม่ได้จะต้องมีศรัทธาสร้างภละศรัทธาให้เกิดขึ้น เชื่อเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้า <c oughs> ไม่ไปเชื่อลัทธิอื่นใดทั้งหมดพระพุทธเจ้าให้เข้าใจว่าเป็นผู้วิเศษละกิเลสพร้อมทางวาสนาไม่มีมนุษย์และเทวดาอินทรมที่ไหลที่ไหนในตลายโลกกระธาดนี้ จะเป็นผู้ตรัสโลด้วยพระองค์เองแล้วก็ละกิเลสด้วยพระองค์เองหมดสิ้นไม่มีนอกนั้น <c oughs> สาวกของพระพุทธเจา้า <c oughs> ก็ทาตามปฏิบัติตามที่พระพุทธเจา้าทรงชี้แจงแสดงพระองค์ชี้แจงแสดงว่าให้ฟังด้วยดีให้ทำด้วยดีให้ปฏิบัติด้วยดี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 แม้จะทำทางกายพูดทางวาจาคิดอ่านทางใจก็ต้องการจิตใจภายในนั้นเป็นหลักสำคัญคนเราที่ท่านวาใจเป็นใหญ่เป็นประธานสำเร็จแล้วโดวยดวงใจมันอยู่ที่ใจอยู่ที่จิตใจดวงผู้รู้อยู่ในภายในถ้ารวมจิต <c> ร <oughs> วมใจเข้ามาที่นี่ ิจใจนั่นก็จะเย็นสบายทีนี้ถ้าไม่รวม จ, จิตใจปล่อยปะละเลยใจกิเลสมันพาคิดไปไหนก็ไปตามมันไปดิ้นลนวุ่นวายไปไม่จบไม่สิน้นไปตามอำนาจของตัณหาไม่สงบตั้งมัน่นไม่โยในตัวไม่อยู่ในใจ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 สมมติว่าเรานั่งอยู่ในที่หลับที่นอนของเราในกุฏิวิหารบ้านเรือนของเรามันยังไม่เน็ดเหนื่อยเมื่อหิวเท่าไรก็นั่งบริกรรมภาวนาเลื่อยอยู่เอาจนสงบระ ง, งับใจสบายก่อนจึงค่อยลุกขึ้นกราบพระไหว้พระแล้วจึงค่อยหลับค่อยนอน แต่เรานั่งสมาธิภาวนานแล้วอย่าให้มันมีอุปทานคำว่าอุปทานคือความยึดถือบางครั้งบางคทาวพอนั่งเข้าไปร่างกายมันชักจะไม่สบายเจ็บโน่นปวดนี่เป็นไปตามโรคภัยไข้เจ็บหรือยิ่งจิตใจฟุ้งซ่าน ร, ร่างกายก็เจ็บมากถุร่นถุลายไป บางครั้งบางคาวนั่งภาวนาไม่ค่อยได้แต่นอนได้กินได้นอนได้ภาวนาไม่ได้ไม่ลงอย่าไปเชื่อมันนั้นละตัวมารกิเลสโกหกพกลงสัปปรีขี่อยู่เชื่อบ่ได้ใจกิเลตันหามานะทิฏฐิท่านมีหน้าที่อย่างเดียวเราต้องเพียรละ เพียนละเพียนปล่อยเพียนวางมันอย่าไปเชื่อไปหลงมันจะแอ บ, บมาข้างหลังก็ไม่หลงมาข้างหน้าก็ไม่หลงข้างใายข้างขวาอ้อแอแก่ตัวข้าไม่ฟังภาวนาอย่างเดียวพุทโธในใจคําว่าจิตว่าใจนั้นไม่ต้องไปสงสัยไม่ต้องไปหาที่อื่น ใจมนุษย์คนเรานั้นไม่ใช่วัตถุไม่ใช่เข้าของไม่ใช่รูปร่างกายที่เราเห็นกันไม่ใช่เพศหญิงเพศชายนี่เป็นจิตใจใจนั้นทันว่าเป็นธาตุนามธรรมมันมีอาการอยู่สี่อาการเวทนาเสวยอารมณ์กทุกข์ที่มันเกิดมีขึ้นในตัวในกายในจิตเรา รับเอาอารมณ์นั้นสัญญาจำหมายอย่างแล้วว่าจำสีดำสีดแดงคนโน้นคนนี้สังขารปรุงแต่งคิดนึกอะไรต่อมีอะไรจนกระทั่งถึงคำพูดการทำอะไรมันปรุงแต่งทางนั้นแหละ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 จำเพาะจิตใจของตัวที่นี่เมื่อรวมกำลังตั้งมั่นลงไปอย่างนี้อยู่เสมอๆจนเคยชินจิตมันก็จะค่อยเข้าใจที่ตั้งที่ละที่ท้องที่ปล่อยที่วางในนั่นแหละคือจิตใจมันอยู่ใจหลงมันไป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 หรือเมื่เหตุการณ์เจ็บไข้ได้ป่วยมีภัยอันตรายมากระทบกระเทือนร่างกายสังขารจนอยู่ในนี้ไม่ได้เจต ด, ดวงผู้ลู ก, ก็หนีไปตามกิเลส ต, ตายตามบุญบาป ท, ที่ตนกระทํามานั้นไปถ้าจิตยังไม่หมดกิเลสก็ไปเกิดไปตายตามภพชาติที่ตนมีอยู่ ถ้าจิตนั้นมันภาวนาละกิเลสความโกรธโลภหลงหยาบละเอียดหมดไปจิตอันนั้นก็ไม่ไปที่ไหนได้ว่าเห็นแจ้งในทุกขในภายในวัตสงสารทำลายกิเลสราคะโทสะโมหะให้มันหมดสิ้นไปในจิตใจนั้นล้วก็รู้เองเห็นเองเข้าใจเองเป็นอะไรก็รู้เองอ่ะ ไปรู้ไว้ก่อนนะมันไปสมมตินิยมให้มันไปอีกไม่มีที่จบที่สิ้นตัณหามันอยู่ในกายในวาจาในจิตนั่นแหละมันหามาตันไว้ไม่ยอมเลิกไม่ยอมละไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางมันยังว่าตัณหานั่นมากมายในใจมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย ยิ่งไม่ทำคุณงามความดีไม่บำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนากิเลตตัณหามานะทิฏฐิในจิตใจของคนของสัตว์จะไม่มยอมมันไม่ยอมกันได้ตายมันก็ไม่ยอมมันจึงมาเกิดมาตายวุ่นวายอยู่อย่างนี้อันนั้นทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกอยาได้ประมาท ตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาอยู่พุทโธในใจพุทธะอยู่ภายในพุทโธในใจยังจิตใจดวงนี้ให้มีความสงบตั้งมัน่นไม่ลหลงไหลไปกับสังขารมาณจิตปรุงแต่งมันจะปรุงแต่งอะไรตอนน่อม้อะไรก็ยาได้หลง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 ไม่ต้องไปคิดเอาหน้าเอาตาเอาชื่อเอาเสียงเอายศเอาอยางเอาความสรนนิษฐาเยินยอบไม่มีที่จบที่สิน้นไม่ต้องให้ไปหาที่ไหนนะเรืกว่าทวนกระแสะใจเข้ามาตาเห็นรูปมันใครเป็นผู้เห็นก็จิตดวงรู้อยู่นี่แหละผู้เห็นถ้าจิตดวงนี่หนีออกไปละมันจะรู้ได้ที่ไหนไม่มี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 จิตหลงจิตกิเลสท่านว่ามีตั้งพันห้าตันหาร้อยแปดมาก็คิดมากไปเถ้ารวมเข้ามาแล้วจิตดวงนี้มันอยู่ในนี้มาสงบอยู่ภายในเมื่อจิตสงบกายก็สงบวาจาก็สงบตาก็สงบหูก็สงบอะไรอะไรมันสงบเงียบหมดถ้าจิตสงบถ้าจิตนั้นแหละมันไม่สงบ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 เมโยในโลกมีโยในพุทธศาสาานานี่แหละความทุกข์ความสุขความเกิดแก่เจ็บตาย <c oughs> ในร่างกายสังขารจิตใจของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายนี่พระพุทธเจ้าทรงตัดชี้แจงแสดงไว้ว่าพระพุทธเจ้ามาเกิดก็าตามพระพุทธเจ้าไม่มาเกิดก็าตาม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 ความจริงมันไม่ใช่เป็นเพราะเหตุเืองเป็นเพราะจิตไม่สงบตั้งมัน่นจิตไม่ภาวานาอยู่ในใจพุทโธในใจไม่อยู่เอาใจตัวเองไม่อยู่เมื่อเอาใจตัวเองไม่อยู่อะไรๆมันก็เอาไม่ลงล่ะวุว่นวายไปหมดทุกครั้งที่เรานั่งภาวานาไม่ว่าอยู่ที่ไหนนั่งที่ไหนยืนเดินนั่งนอนอยู่ที่ไหนก็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 นั่งแบบไหนก็สบายยืนแบบไหนก็สบายเดินจมกลมก็สบายนั่งภาวนาก็สบายนอนก็สบายนอนก็ไม่หลับใจมันแจ้งอยู่ในจิตในใจอ น, นันที่นั่งโยก็หลับคือใจมันไม่แจ้งไม่ใสใจมืดใจดำ ใจโมหโหโท่โศใจฟุ้งซ่านลำคาญใ จ, ใจโกรธใจรอกใจหลงใจมันเป็นหม้อนรกเดือดอยู่มีอะไรมากระทบกระเทือนมันก็เดือดร้อนวุ่นวายอยู่๋ยวไม่สงบไม่เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวโยภายในใจของตัวเอง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 มันมีอยู่ภายในมีอยู่ในตัวมีอยู่ในใจมันมีอยู่แล้วแต่จิตใจเราไม่มาสงบตั้งมั่นอยู่ในในพระธรรมร่างกายสังขารของเราก็เกียบเหมือนอย่างว่าตู้พระธรรมตู้พระไกรตู้พระไตรปิดกตู้พระไกรตู้พระธรรม เป็นที่เก็บไว้ในธรรมทั้งหลายเก็บไว้ในกายนะกายวาจาจิตก็จิตใจที่นึกภาวนาอยู่ตั้งใจให้มั่นคงอยู่ในตัวในใจนั่นแหละเรียกว่าภาวนาอยู่ตั้งใจอยู่มาให้กิเลสมันพาให้วุ่นวายภายนอกมันสงบจิตสงบใจ ให้ใจโย่ใจไปไม่เอาละทิ้งละทิ้งก็คือไม่ตามมันไปไม่ซวยมันไปรวมกำลังมาตั้งมั่นในจิตนี้พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงเตืนว่าชิงใดที่มันล่วงไปแล้วหมดไปแล้วก็อย่าไปเก็บมาอีกปรอยให้มันล่วงเลยไปเสีย และเรื่องราวอะไรที่มันยังไม่มาถึงก็อย่าไปคิดให้มันวุ่นวายรวมเอาตัวเอากายวาจาจิตของเราทุกคนในเวลาปัจจุบันนี้ให้มาสร้างน้ำกระทําบุญก่อสร้างกองการกุศลของตนอยู่เดี๋ยวนี้เวลานี้ให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกไม่ให้คิดใจหลงลืม มีสติระลึกอยู่ที่นี้ที่จิตใจดวงผู้รู้อยู่ภายในสิ่งใดมันนอกนี้ออกไปทั้งหมดมันไม่เที่ยงทั้งหมดเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคนสัตว์วัตถุธาตุั้งหลายเขาเกิดเขาแก่เขาเจ็บเขาไข้เขาตายก็เป็นเรื่องของเขากายวาจาจิตตัวเรา เกิดแก่เก็บตายก็เป็นหน้าที่ของลูกประขันนามะขันอันนี้ส่วนหนึ่งจิต ด, ดวงผู้รู้ภายในต้องภาวนาสร้างกําลังศรัทธาศรัทธาวิทยะสติสมาธิปัญญารวมใจเข้ามาอยู่ในใจิตในใจจิตใจวุ่นวายไม่มีก็มีแต่ใจ สงบรลงงับเย็นสบายไม่ไปโกรธให้ใครไม่ไปพยาบาทอาฆาตองเวงใครมาให้จิตใจไปติดไปข้องในที่ใดๆเพียนเพ่งโยดทุกลมหายใจเข้าออกจิตใจดวงนี้มันอยู่นี่ไม่ได้ไปที่ไหน เราไปเชื่อไปหลงมารจีเลศนันโกหกพกลมอยู่ตลอดการไม่ยอมให้เราทำความเพียรภาวนาในจิตในใจจิตใจไม่สงบระงับก็เพราะว่าจีเลสมารสังขารมามันลบกวนมันกวนใจให้ขนอยู่ใจไม่ใสใจไม่สะอาดใจไม่เป็นดวงหนึ่งดวงเดียว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 ใจก็สบายทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนทุกยิริยาหมดจิตประมาทมัวเมาข้างเผลอลุ่มหลงไม่มีเป็นจิตที่มีสติทุกเวลาเป็นจิตที่มีสมาธิทุกเวลาเป็นจิตที่มีปัญญาอยู่ทุกเวลาจิตใจพระพุท ธ, ธเจ้าทั้งแหลมทั้งคมคมก็คม ที่สุดแหลมก็แหลมที่สุดทะรูปูปองได้ในใจโลกกระถา gne น, นานแล้วคือว่าจิตใจประพุทธเจ้าภาวนาละกิเลส จ, จนหมดสิน้นพระอริยสงสาวกเจ้าทั้งหลายท่านกละกิเลสภาวนาจนหมดสิน้นไปความอยากความดิ้นรนใดๆที่เคยเป็นมาท่านก็ตัดขาดหมด เมื่อกีเลสหมดไปใจท่านก็แจ้งใจมืดไม่มีมีแต่แจ้งโลกเลียบแจ้งต่อไปเห็นอะไรก็แจ้งรับหมดแจ้งว่ามันเกิดมาจากเหตุปัจจัยอย่างนั้นอย่างนั้นเมื่อมีเหตุปัจจัยยังคงโยมันก็โยไปเมื่อหมดเหตุปัจจัยโยไม่ได้ก็แตกหักทำลายตายไป ยึดใจท่านดูท่านตลาดท่านก็ไม่ไปยึดมัน่นถือมัน่นในตัวในตนในเราในของของเราสร้างมันเกิดเกิดมามันก็ต้องตายอย่างนี้แหละไม่ตายเมื่อเด็กมันก็ไปตายเมื่อกลางคนไม่ตายกลางคนแกชรามันจะเอาไปไว้ที่ไหนต้องตายเมื่อยังไม่ถึงความแตกความตายนั้นแหละจึงเป็นโอกาสอันดี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 สพีติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตปวัตตะวันตระโยสุขีติคายุโกภวอาอภิวาตนาสีริษนิจังมุธาปัจายิโนจ ต, ตาโรธรรมาวะทันติอายุวันโอสุขังภาตัง <c oughs>